ไหวกันเนะาะฮะตั้งใจมาเต็มที่แล้วยังไงยังไงก็ต้องไหวปันเสานี่จะพาในสมาชิกทั้งคืนหรือไหวไหมโอโอโอทำไงไหวไหม <c oughs> เห็นเมือเ่อกี้เห็นปรารบกัน ปรลรบเล่นหรือปรลรบจริงๆในสัตว์ชิก ค, คือไม่นอนเนี่ยในชีวิตมีใครบ้างที่เคยตั้งใจจะอยู่ไม่นอนมีไหมที่เราเห็นง่ายๆก็ผู้ตั้งใจภาวนาอยู่วัดนี่แหละเห็นเขาทำกันง่ายๆเห็นมีบ่อยบางคนไม่กลา้าไม่กล้าดอกไม่กล้าอดนอนกลัวเสียสุขภาพ <c oughs> <c oughs> อพิจารณากันให้ดีรุ่งนี้ถ้าเผื่อจะตกลงยังไงให้เป็นหลังเที่ยงไปให้ตกลงกันแต่ถ้าใครจะรับสมัครตกลงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็ให้เตรียมตัวจะพา น, นั่งภาวนาไปทั้งคืน มีสวดสลับกันไปมีนั่งภาวนาสลับกันไปเพราะที่ที่วัดธรมเต่าเราเน่มีมีประจำมีประจำในครัวเดี๋ยวนี้ในครัวเขาเขาไปอยู่เยอะในปรรษานี่เยอะยี่สิบสามสิบในครัวเยอะกว่าทุกปีปีนี้ ในครัวหมายความว่าฝ่ายผู้หญิงฝ่ายผู้หญิงถ้าเป็นวันพระด้วยก็ยิ่งเยอะถ้าเป็นวันพระด้วยไปเยอะเขาจะพากันอยนู่มีแหละมีทุกคืนแหละเขาไปอยู่กันเดินเดินนั่งนั่งยืนยืนกันอยู่นั่นแหะไม่นอนปรารบความเพียพรภาวนา แต่เราไ ม, ไม่ใช่เราไปหักโหมนะไม่ใช่เราไปหักโหมแต่เราต้องมีพลังสะสมมาแล้วเราต้องมีกําลังสะสมมาแล้วมีกําลังพอที่เราตั้งใจจะอยู่แล้วก็อยู่ได้แต่ถ้าเราคิดว่าเราไม่มีพละงอะไรเราเสียสละมาแล้วสามวันสองคืนเนี่ยเราเสียสละมาแล้วเราไม่มีอะไรที่เราจะต้องห่วง กลัวจะลุกไม่ทันกลัวจะไปทํางานไม่ทันกลัวจะไปตามนัดไม่ทันเนี่ยเราไม่มีห่วงอะไรแล้วเพราะเราอยู่ตรงนี้ตลอดเราไม่มีอะไรกลางคืนถ้าเผื่อเรากลับไปบางคนก็ภาวนาบางคนก็ไม่ภาวนาบางคนก็นอนนอนจนกว่าจะได้ตีละคงตีสามครึ่งตีละคงตีสี่ก็พร้อมกันเนี่ยตอนเช้า ตี3ครึ่งตีละครตี 4, รตรสี่พร้อมกันทาวัดสวดพร้อมกันนั่งภาวนาตีห้าพาทำวัดสวดมนต์หกโมงก็ลงไปเดินเจ็ดโมงก็พากันไปใส่บาตรทานอาหารกันตอนเช้าวันพรุ่งนี้โปรแกรมวันพรุ่งนี้ <c oughs> าต่อไปจะทำอะไรเ อ, อาช่างมันมันดังยังงั้นช่างมันมันเป็นที่พัดลมเปล่าพัดลมเสียงพัดลมคใครเป็นช่างบ้างไปซ่อม อนี่ช่างใหญ่เนี่ยือ ช่วงนี้เรามีเวลาอบรมไปจนถึง16บ่าย4โมงเดี๋ยวนี้บาย3บ่าย2 4 5เดี๋ยวนี้บ่าย2 4 5 <c oughs> <c oughs> เรามีเวลานั่งฟังแล้วก็นั่งภาวนาไปด้วยในขณะเดียวกัน อยู่ันนี้อาจจะถึงสี่โมงหรืออาจจะไม่ถึงหรืออาจจะมีให้เตรียมถามอะไรบ้างใ น, ในเบื้องต้นเมื่อเช้านี้เราก็มาไม่ทันปกติเราจะต้องมาทันพระธนิเทศแล้วก็พูดธรรมะแล้วก็มีการรับสิน ล้วก็มีการถวายตัวถวายตัวต่อพระพุทธเจ้าทุกคนนะนับตั้งแต่เราเป็นต้นไปถวายตัวต่อพระพุทธเจ้าการที่เราทำอย่างนี้มันเป็นเหตุให้เราลงใจพระพุทธเจ้าที่แท้จริงก็คือสัจธรรมนั่นเองเราดูไปที่อะไรนั่นคือองค์สัจจ์องค์ทุกขสัจ อง์สมุทัยสัตว์นั่นแหะองนิโรธสัตว์องมรัสสัตว์นั่นเลยอันนั่นแหละคือององของพระพุทธเจ้าใครมีความรู้มีความเข้าใจเรื่องสัจธรรมทั้งสีน่นี้แจมแจ้งทะลุโปร่ปรงได้อัดได้ทำนั่นแหะเริ่มเห็นพระพุทธเจ้าแล้ว ฐาะที่เราถวายตัวกับพระพุทธเจ้าขอให้เราตั้งอกตั้งใจธรรมให้ได้เห็นเห็นองค์พระพุทธเจ้าก็แล้วกันเห็นองค์พระพุทธเจ้าคือเข้าใจเรื่องสัจจะสัจธรรมทุกขสัจแล้วก็เข้าใจเรื่องสมุทัยสัจเหตุให้เกิดทุกข์วิธีปฏิบัติมาก ปฏิบัติได้ได้เหตุได้ผลเป็นนิโรธนี่เป็นองค์พุท ธ, ธะหลวงตาทันวาันนี่แหละ เ, เป็นที่สร้างพระอริยเจ้าจะจะทำทั้งสีเนี่แหละเป็นที่เกิดของพระสาวกพระอริยาสาวกเป็นแดนเกิดของพระพุทธเจ้า จะศึกษาไปอย่างอื่นมากมายเท่าไรก็ตามแต่ถ้าหากเราไม่หมุนมาตรงนี้เนี่ยมันจืดมันไม่ใช่ใชัยสมรภูมิมันไม่ใช่สนามงานโดยตรงมันไม่ใช่หน้างานของเราอาจจะไปเดินทํางานในทางที่ไม่ถูกในทางที่ผิดแต่ถ้าหากเราหมุนมาตรงนี้แล้วมันเริ่มเห็นงาน <c oughs> มือจ้าก็มีพูดถึงการรักษาศีลบ้างศีนี้เราอยากจำกัดให้นะให้พวกเราเข้าใจซึ่งพวกเราก็เข้าใจมาจนพอแรงแล้วแหละเรื่องศีนเราอยากจะเสริมความเข้าใจอีกเรื่องศีนศีละศีละท่านว่าปกติปกติเราก็ฟังหลายแห่งที่ครูบาอาจารย์ท่านท่านพูดให้ฟังท่านเทศให้ฟัง บางองค์เราก็ฟังเข้าใจบางองค์เราก็ฟังไม่เข้าใจแต่เราเข้าใจเองนะเราเข้าใจว่าคําว่าปกติปกติศีละแปลว่าปกติไหนที่นี้หมายความว่าเรามีกายกรรมของเราเป็นไปตามปกติไม่ไปฆ่าสัตว์ไปลักทรัพย์ไปประพฤติผิดในกามไม่ไปดื่มสุราไม่ไร วิีกรรมของเราก็ไม่พูดเท็จพูดอย่าพูดซอเสียดพูดเฟ เ, เ, เจอเหลวไหลตลกขนองหยาบคายสองกรรมแล้วนะหนึ่งกายกรรมเป็นปกติสองวจีกรรมเป็นปกติสามมโนกรรมปกติไม่ฆ่าสัตว์มันก็ไปจากใจนั่นแหละไม่พูดเท็จพูดหยาบมันก็ไปจากใจนั่นแหละ แต่มันเป็นไปตามปกติไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมด้วยเหตุที่เราไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมนี่แหละคือกิริยากายกรรมที่เป็นปกติมีศีลเป็นวจีกรรมที่เป็นปกติมีศีลเป็นมโนกรรมที่เป็นไปตามปกติอันนี้เป็นศูนย์รวมจะแสดงออกไปที่กายกรรมวิจีกรรมมันก็ไปจากมโนกรรมนี้เองมโนกรรมที่ไม่ผิดไม่เป็นโทษ ไม่โลภอยากได้ของเขาไม่พยาบาทปองร้ายเขาไม่อิจฉาไม่ริษยาไม่พยาบาทไม่ปองร้ายที่สําคัญที่สุดเห็นถูกตามทํานองคลองธรรมโอ้อันนี้ละเอียดมากรวมไปถึงเห็นศัจธรรมทั้งสี่นั่นแหละมีความเป็นไปตามปกติที่เราควรจะเป็นเรามองมาตรงนี้เราจะเห็นความปกติของเราถ้าเราผิดไปจากศีล องศิลศิลห้าก็ตามศิลแปก็ตามถือว่าเราผิดปกติไปจากศิลศีละแปลว่าปกติอะไรปกติกายกรรมปกติวจีกรรมปกติไม่ทำให้เกิดทุกข์เกิดโทษตามมาท่านพูดถึงศิลศิลห้าศิลแปดมันละเอียดนะเกี่ยวกับเรื่องศิลถ้าหากเราตั้งอกตั้งใจรักษาศิลแสดงว่าเราเริ่มมีธรรม อย่ามองข้ามนะสินนี่ในตัวมันเองมันเป็นทั้งศินเป็นทั้งธรรมสินแปดก็เหมือนกันแต่สินแปละเอียดเข้าไปอีกอย่างเรามาฝึกอ บ, อบรมอย่างนี้เนี่ยถ้าเราตั้งใจสมาทานสินแปดได้ตลอดนับว่ายี่ยมที่สุดอืเพราะการล่วงละเมิดศินสินห้าก็ตามสินแปดก็ตามสิ่งที่เป็นไปตาม เป็นเวรเป็นภัยเป็นบาปเป็นกรรมเป็นทุกข์เป็นโทษตามมาถ้าเราลงละเมิดแต่ถ้าเราไม่ลงละเมิดแสดงว่าเราปิดช่องอุดรูที่กรรมทั้งหลายมันจะทะลักมาทับท่วมกายวาจาใจของเราเราสามารถปิดกั้นได้รักษาได้ตามองค์นั้นๆเราสามารถปิดกั้นปิดกั้นได้ปิดกันดดก้นอะไรปิดกั้นบาป กรรมเวรภัยอะไรต่ออะไรสารพัด ท, ที่มันจะพึงตามมาศินแปลกก็ละเอียดก็ไปอีกสินแปลกไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักสัตว์ไม่ประพฤติผิดพรหมจรรย์ไม่ประพฤติผิดพรหมจรรย์การอยู่อย่างพรมนะ่ะท่านถือว่าเป็นพรหมจรรย์สามีไม่เกี่ยวข้องกับภรรยาภรรยาไม่เกี่ยวข้องกับสามีไม่เหมือนสินห้า สินห้าสามีภรรยาเกี่ยวข้องกันได้แต่กับของคนอื่นไม่ได้ผิดศินสินขาดแต่สินแปดสามีภรรยาเราเองเราก็เกี่ยวข้องกันไม่ได้ละเอียดไหมเพราะพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องเหล่านั้นท่านไม่เคยให้คะแนนท่านมีแต่จะตัดรอนให้หมดไป เราก็ดูเรื่องพระนันทะสิเราเคยเอามาเล่าหลายครั้งแล้วนัน t h แต่งงานใหม่ใหม่ๆสดๆร้อนๆเนี่ยยังไม่ได้สัมผัสตแตะต้องกันเลยกับนางชนบทกรยาณีพระพุทธเจ้าให้อุ้มบาตตามไปส่งที่นิโครธารามไอ้ใจหนึ่งก็อยู่นี่แหละไอ้ใจหนึ่งก็เดินตามหลังพระพุทธเจ้าไปคิดอยู่ในใจว่าจะส่งท่านแล้วจะกลับส่งบาทท่านแล้วจะกลับส่งบาตท่านแล้วจะกลับพระองค์หันมาที่ใดจะส่งบาทท่านแล้วจะกลับ พุทธเจ้าท่านไม่ส่งไ ม, ไม่ไม่กลับไม่หันมาเดินไปเรื่อยๆพอไปถึงนิครธารา ม, อมพอไปพอไปถึงนิครธารามก็ถามนันท่าเธอจะบวชหรือนั่นใช่ไหมพระองค์ไม่ให้ความสำคัญเลยการที่ไปแต่งงานแต่งงานแล้วก็มีคู่ครอง เสวยสุกกันแบบคู่ครองมีคู่ครองพุทธเจ้าไม่ให้ความสําคัญพราะยังพุทธเจ้าตีเหล็กทั้งร้อนๆ น, นี่แหละมันถึงจะแบงดีพุทธเจ้าตีเหล็กร้อนๆเ น, นี่ยโอ้ยนันทะไม่เป็นตานั่งภาวนาเลยแหละยืนไม่เป็นจายืนนั่นนั่งจะนอนภาวนาไม่เป็นเป็นไง น, นันทะภาวนาไม่เป็นทัภาวนาเลยไปเจ้าค่ะคิดถึงแต่นางชนบทกาลยาณีเะไปไปไปเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยว พระพาก็พาไปเที่ยวสวรรค์อะไรท่านนี้ไปดูนางฟ้านางสวรรค์พระพุทธเจ้าท่ารู้ว่านันทัติดรูปติดรูปของสตรีติดรูปของสตรีตรตรนางชนบทกรยา น, นนะีเหมือนอาหารจะเข้าปากแล้วน้ำลายเยอะมาแล้วแต่ยังไม่ได้เอาไปแตะลิ้นความหมายเป็นอย่างั้นทารุณไหมพระพุทธเจ้าทารุณไหมท่านไม่ได้ถือว่าทารุณ น, นะ เนี่ก็ผ่านนันทะไปไปดูนางฟ้านางสวรรค์นันทะก็ไปอะไรโอ้คิดว่าจะได้ไปเห็นอะไรเป็นที่เป็นที่ตื่นตาตื่นใจผ่านรถผ่านนางลิงไปผ่านไปเป็นเห็นเทวดาชั้นแรกแรกแค่เทวดาชั้นแรกแรกชั้นต่ำๆอุ้ยงามเหลือเกินสวยเหลือเกินเป็นไงนันทะเป็นไงอู้งามมากไปเจ้าค่ะเอาแล้วนางชนบทกัลยาณีของเธอเป็นไง อเหมือนนางลิงที่ผ่านมาไปเจ้าค่ะใจมันถอนมาแล้วใช่ไหมใจถอนมาแล้วถอนมาอยู่กับนางฟ้าคนแรกแล้วไปดูอีกชั้นหนึ่งเป็นไงนันทะทกไว้มากไปเจ้าค่ะไปดูอีกชั้นหนึ่งยิ่งสวยก็ไปอีกใจของนันทะก็เปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยเธออยากได้ไหมเธออยากได้ไหมพุทธเจ้า อ, อ่านนางฟ้ามาเลาะ อ, อยากได้ไปเจ้าค่ะ ถ้าเธออยากได้ให้เธอตั้งใจภาวนานแล้วพระองค์ก็พากลับเนี่ยวันนี้เริ่มต้นโดยดิธานนะเล่าประกอบศินแปดข้อสามเราประกอบศินแปดข้อสามอย่าทิ้งหลังนะทิ้งหลังไม่ได้เนะทิ้งหลักเดีฟังไม่รู้เรื่องนะเรากาําลังพูดเรื่องสินพอมานันทาก็ตั้งใจภาวนาเดินจนกลมนั่งภาวนาเพราะอะไรไม่ได้อยากได้มักได้ผลน่ะอยากได้นางฟ้า เพระทั้งหลายเห็นท่านนันทะเดินตั้งใจเดินจงกรมนั่งภาวนาอา้าวนันทะเมื่อก่อนนี่ภาวนาไม่ได้แต่คราวนี้ทำไมแปลกเหลือเกินอไปไปม า, มาก็เลยทราบว่านันทะภาวนาเพราะอยากได้นางฟ้านางสวรรค์เพื่อนหมู่เพื่อนคนนั้นก็ไปสุบซิบคนนี้ก็ไปซุบซิบคนนั้นก็ไปซุบซิพนนบซซ พ, พอนันทะรู้เขา้าก็อู้ละอายใจใจเหลือเกินทําไมหมู่เพื่อนเขา ภาวนายอยากได้ได้มรดกได้ผลให้เราทําไมภาวนายอยากได้นางฟ้านางสวรรค์ก็เลยรู้สึกละอาย ใ, ใจเมื่อเกิดความรู้สึกละอาย ใ, ใจใจมันก็ถอนมาแล้วถอนมาจากนางฟ้ามาอยู่กับเนื้อกับตัวแหละตอนนี้ที่แรกที่แรกก็อยู่นางชนบทกรียาณีก็ถอนมาอยู่กับนางฟ้าชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามขึ้นไปเรื่อยๆหมูเพื่อนรู้เห็น รู้เห็นความอยากของเราโอ้รู้สึกละอายแก่ใจมากใจมันก็ถอนมาหมดละไม่อยู่ชนบทกรยานีก็ไม่อยู่นั่งฟ้าก็ไม่อยู่นังลิงนังไรก็ไม่อยู่ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวด้วยความละอายตั้งออกตั้งใจภาวนาะไม่นานนันทะได้มรรคได้ผลได้เป็นพระอารหันต์นี่เราดูสิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดความละอายเพราะเกิดความละอายแล้ว ความละอายทำให้เรามาสังวรสารวมระมัดระวังได้เนี่ยมีความสาคัญไหมความละอายเหมือนอย่างเรานั่งภาวนาอยู่ในนี้เนี่ยอาศัยว่าเรานั่งภาวนาเป็นหมู่เป็นเพื่อนกันมากๆอ้าวลองไม่ระวงังลองดูงายท้องขึ้นมาหรือไม่กับมือไปฟาดตึ้งขึ้นมาเนี่ยโอ้ทุกคนตื่นหมดเป็นเหตุแปลกแปลกหูแปลกตาเนี่ยอ่า เพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องระวังการที่เราไปนั่งคนเดียวเราสำรวมระมัดระวังได้ดีที่สุดได้ดีเยี่ยมเรามานั่งกระหมูเราสบายมากเลยเราสบายมากเพราะถ้าเรานั่งกระหมูไม่ดีเราไปนั่งคนเดียวไม่ได้ดับสมมตินั่งกระหมูได้ 20% อร์ซนตเราไปนั่งคนเดียวได้ไม่พอห้าซ็นไม่ถึงห้าอร์ซนเพราะมันไม่มีใครเห็น มันไม่มีความละอายมาช่วยมันไม่มีอะไรเป็นเครื่องช่วยเพราะฉะนั้นช่วงระยะที่เรานั่งกับหมู่ดีมันก็เป็นเหตุให้เราภาวนาแล้วได้ได้ได้ผลดีคนเราหากมันเปลี่ยนไปเป็นช่วงเป็นช่วงถึงขั้นว่าภาวนากับหมูไม่ได้มันก็มีเพราะมันเป็นเหตุขาดข้องต้องได้เห็นต้องได้พูดต้องได้คุยต้องได้นุ่นได้นี่ เสียเวลาไม่อยากเอาจิตออกนอกแม้แต่ขณะเดียวก็ไม่อยากเอาออกถึงขั้นถึงขั้นนั้นมันก็มีถึงขั้นนั่งภาวนาคนเดียวไม่ได้อะไรก็มีถึงขั้นภาวนาคนเดียวนั่งสะดวกสบายอยู่เท่าไหร่ก็เท่านั้นได้สว่างร่้ตลอดก็มีนั่งภาวนากับหมู่กับเพื่อนไม่ดีถึงขั้นไม่ดีก็มีถึงขั้นดีก็มี มันหากเป็นไปอยู่อย่างนี้แหละสิ่งที่แตกต่างกันคืออะไรเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากสิ่งภาวะแวดล้อมของเราเสียงนะเสียงก็เป็นอุปสรรคกับความสงบยิ่งเป็นเสียงคนด้วยแล้วนี่เป็นอุปสรรคอย่างยิ่งเสียงเพลงเป็นอุปสรรคอย่างยิ่ง แต่ถ้าเป็นเสียงธรรมชาติเสียงนกเสียงอะไรต่ออะไรเนี่ยถือว่าเป็นธรรมชาติในเมื่อเราต้องการทำให้ใจของเราได้รับความสงบเสียงเป็นอุปสรรคแต่ถ้ามันเป็นช่วงที่เราใช้ปัญญาเราได้ยินเสียงเป็นเหตุให้เกิดปัญญาได้เห็นรูปเป็นเหตุให้เกิดปัญญาได้ลิ้มรสได้สัมผัสได้อะไรต่ออะไรได้นั่งนึกตรึกตรองนึกคิด เป็นเหตุให้เกิดปัญญาถึงคราวอุปสรรคขัดข้องกับความสงบก็มีถึงคราวเป็นอุปสรรคขัดข้องกับปัญญาก็มีถึงคราวเกื้อกูลกับความสงบก็มีถึงคราวเกื้อกูลกับปัญญาก็มีมันมีหลายเหตุหลายปัจจัยเราพยายามศึกษาและสังเกตสังกาไปนี่เราพูดถึงศินแปดเมื่อกี้สินข้อสาม แม้แต่สามีภรรยาเราก็เกี่ยวข้องกันไม่ได้เพราะอะไรเพราะการเกี่ยวข้องเหล่านั้นพระพุทธเจ้าไม่เคยให้ความสําคัญเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นเป็นสิ่งที่นำาพนำชาตินำกองทุกกองโทษมาให้เราการที่เราเกี่ยวข้องกันเป็นเหตุทำให้เกิดไฟราคะคีนา ไฟคือราคะาโทสัคินามีเหตุขัดข้องกันกับโกรธก็กกกกกกเป็นไฟขึ้นมาทั้งสองก็คือโมหคีนาหลงโลกหลงโกรธเพราะฉะนั้นการที่พร ะ, พระองค์พูุ้ทธเจ้าทรงให้เรามีศีลห้าหมายความว่าเราใช้ไฟราคะได้อยู่แต่ขอให้เป็นไฟในเตาอ่า มีครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งท่านเอามาพูดท่านบอกขอให้เป็นไฟในเตาไม่ให้เราเอาไปใช้นอกเตาอยู่ในเตานเ น, นาไไาี่เกิดประโยชน์หุงต้มปิ้งนึ่งย่างอะไรได้สารพัดเกิดประโยชน์ไฟนะแต่ถ้าเอาออกนอกเตาแล้วไหมไมมบ้านไหมช่องไหมอะไรสรารพัดไปหมดการที่เราเอาใจของเราสินห่าน ะ, ะสามีนอกใจภรรยาภรรยานอกใจสามี เหมือนกับเป็นการเอาฟืนเอาไฟออกนอกเตาเป็นเหตุลุกลามเรื่องเหล่านี้เป็นเหตุเรื่องเหล่านี้เป็นหอกข้างแคร่อย่าลืมนะอย่าเห็นเป็นเรื่องง่ายเรื่องเหล่านี้เป็นหอกข้างแคร่มันเป็นเรื่องที่เคยมีมาแล้วเป็นมาแล้วมีกติมาแล้วมีตัวอย่างมาแล้วเห็นอยู่ตำตาเห็นอยู่เนืองเนืองเห็นอยู่บ่อย แม้แต่พวกเราที่เคยเกี่ยวข้องถ้าสังเกตมันก็มีอยู่แล้ว ท, ท่านจึงให้ระมัดระวังการที่เกี่ยวข้องกับไฟในเตารักษาให้ดีศี่หา้ารักษาปกติให้บริสุทธิ์ได้มักได้ผลทำมักทาผลเกิดได้ขึ้นได้ถึงคราวภาวนาเราก็ภาวนาให้ใจสงบใไปถึงคราวบริโภคกามเราก็บริโภคเข้าไป ศีลห้าทั้งกะไม่ห้ามมรรคห้ามผลห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานสามารถทาได้ท่านห้ามเฉพาะไม่มีศีลเท่านั้นเองศีลห้ามไม่บริสุทธิ์ไม่บริบูรณ์แต่ถ้าหากเราอยากปรับตัวของเราให้ละเอียดทียิบก็บไปอีกขยับมาที่ศีลแปดโอ้พอขยับมาศีลแปดศีลข้อสามนี่พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือไปเลยฮะตัดมันเลยเมื่อก่อนมันมีเยื่อใหญ่เกี่ยวข้องกันได้บ้าง พอมาสินแปดตัดออกซะเลยพระเจ้าไม่ให้ความสําคัญอให้เรารู้จักฝึกรู้จักหัดรู้จักดัดรู้จักตัดไม่งั้นจะเอาอะไรมาเป็นข้อฝึกหัดไม่มีการตัดได้นี่แหละเป็นเหตุให้เรารู้ให้เราเข้าใจว่าอะไรคือเหตุแห่งกองทุกกองทุกที่แท้จริงคืออะไรศินอาสินแปดพูดเท็จพูดยาพูดซอเสียดเหมือนกันแหละ วายาคำพูดยืมสุามลามลัยสี่ห้าสี่แก็เหมือนกันรับทานอาหารในยามวิกาลนี่ก็มีความสําคัญทําไมพระเจ้าท่านจึงพูดถึงรับทานอาหารในยามวิการเว้นรับทานอาหารในยามวิการในยามวิการถ้าเราพูดถึงตามหลักของพระตั้งแต่อารุณขึ้นตั้งแต่อารุณขึ้นจนถึงเที่ยง เที่ยงวันหลังเที่ยงวันไปแล้วถือว่าเป็นยามวิกาลตั้งแต่อรุณขึ้นมาจนตั้งแต่สว่างมาจนจนถึงเที่ยงเรานับเอาเท่าไหร่เราจะนับเอาเงาแดดหรือเราจะนับเอาชั่วโมงสิบสองสิบสองนาฬิกาก็ให้เรากําหนดเอาตามนั้นถ้าไม่มีนาฬิกาก็เอาเงาแดดเงาที่มันตรงที่สุดนั่นคือเที่ยงเลยนั้นไปแล้วถือว่าเป็นยามวิกาล เรารับฐานแค่เช้าชั่วเที่ยงจะรับตอนไหนตอนสองโมงตอนสามโมงตอนสี่โมงตอนห้าโมงหรือก่อนเที่ยงแต่ถ้าเราถือเครื่องรัดตามแบบฉบับในวัดป่าเราจะฐานมื้อเดียวทานมื้อเดียวอยู่ได้นอกจากทานมื้อเดียวแล้วเมื่อพระนอกจากท่านฉันมื้อเดียวแล้วท่านก็อดอีกอง์ละหวันองค์ละเจ็ดวันท่านอยู่ได้สบายท่านอยู่ได้สบาย เพราะร่างกายของเรานี่ยมันปรับตัวเข้ามันตลอดทุกระยะเราให้อาหารมากมันก็ปรับตัวเข้ามันมากเราให้อาหารน้อยมันก็ปรับตัวเข้ามันน้อยมันจะปรับตัวเข้ามันนะยิ่งเราฝึกบ่อยๆอดสามวันอดห้าวันแล้วก็มาฉันสักวันสองวันอดสามวันอดห้าวันมันจะปรับตัวเข้ามันไปเรื่อย กำลังวังชากับการเราบริหารบริหารร่างกายของเราเองมันก็จะปรับตัวของมันแต่ไม่ได้ไหมายความว่าเราอดแล้วเราไปแบกไปหามทำงานหนักแบบนั้นไม่ไหวดอกเป็นงานที่จะต้องใช้เรียวแรงมากๆอย่างนั้นไม่ไหวเอาแค่ว่าเดินจงกรมนั่งภาวนาโอ้เหลือเฟือแค่นี้กำลังวังชาเรารับทานอาหารมื้อเดียวเหลือเฟือ ทำให้ร่างกายเราเบาสบายปลอดโปรง่งแต่ถ้าเลือกจะอดนอนต้องผ่อนอาหารเช่นอย่างเนสชิคเนสชิคหนิไหมครับว่าไม่นอนไม่นอนนะมี ม, มีมีหลายระดับไม่นอนอย่างหนึ่งสักเท่ว่ายืนหลับเฉยๆก็มีแต่ร่างกายไม่ได้นอนไม่นอนอีกอันหนึ่งก็คือ หลับบ้างตื่นบ้างหลับบ้างตื่นบ้างยืนหลับบ้างนั่งหลับบ้างแต่ไม่นอนอีกไม่นอนอย่างหนึ่งอย่าง อ, อกกริหมายว่าฝึกตอนได้พอสมควรโร่ตั้งแต่ตอนหัวค่าไปจนถึงสว่างนี่ไม่นอนใครทําตัวได้ขนาดนี้เรารู้กำลังใจของเราเองแต่มันจะเกิดเองไม่ได้มันจะต้องฝึก ฝึกฝนต้องอบรมต้องทําบ่อยครั้งเพราะสิ่งเหล่านี้เราทําบ่อยครั้งเราอบรมบ่อยครั้งมันจะมีผลสะสมมันจะมีผลเพิ่มเป็นวิบากวิบากคือผลเพิ่มขอให้เราอยู่ในท่าทีที่เราฝึกฝึกฝนอบรมเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเลือกว่าอดนอนเราจะต้องผ่อนอาหารหรือเราจะต้องอดอาหารอ่า แต่จะต้องอดอาหารเพราะเราอดอาหารร่างกายเราเบ า, บ า, บาสบายร่างกายไม่หลับร่างกายเบาสบายปลอดโปรง่งแต่อย่าไปนั่งนึกนั่งคิดนั่งปรุงนะอย่าไปนั่งฟุง้งฟุ้งไปมาก ๆ, ๆเอาไม่อยู่นะไม่ต้องไปกินกาแฟกินกาแฟยิ่งฟุ้งไปใหญ่นะไปทานกาแฟยิ่งฟุ้งไปใหญ่เละอดนอนด้วยเอากาแฟอีกโอ้ยฟุ้งไปใหญ่เลย เราปรับอย่างนี้ได้เราอยู่ได้เกือบทุกคืนเลยอยู่ได้เกือบทุกคืนไม่ใช่เรื่องหนังหนาสาหัสถ้าเลือกจะอดนอนแต่ไม่รู้จักผ่อนอาหารไม่รู้จักอดอาหารทำยากทําไม่ได้ไง่ายๆดอกทำไม่ได้เลยแหละยิ่งร่างกายเราเราอ้วนพีขนาดไหนเท่าไรเนี่ยเยอะแยะนี่แหละกาลังมากกําลังดีมากอยู่ได้ดีมากลองดูลองดูสิ นิวรมันมากมันหนักหน่วงมากความง่วงเหงาหาวนอนมันมากร่างกายของเรายิ่งเรายิ่งบำรุงบำเรอเท่าไหร่มันก็ยิ่งฟุ้งเฟอ้อมันก็ยิ่งคึกขนองร่างกายของเราถ้าหามันคึกขนองบางทีเอาไม่อยู่นะเพราะร่างกายคึกขนองปับ๊บใจเรอมัก็เสริมร่างกายคึกขนองปับ๊บใจเรมก็เสริมบางทีใจเรานึกคิดไปปับ๊บ ร่างกายมันก็เสริมการที่เราทำทางนี้อดนอนผ่อนอาหารมันจะถูกกับจริตนิสัยเกือบทุกคนมีคนบางคนก็ปฏิเสธเขาว่าโอ้ยไม่เกิดประโยชน์อะไรอดข้าวไม่เกิดประโยชน์อะไรมันพูดได้เฉยๆดอกมันไม่เคยทดลองดอกอ<า>แต่ก็อดจจะเป็นจิตนิสัยบางคนก็ได้เขาไม่ต้องอดนอน เขาไม่ต้องผ่อนอาหารก็ภาวนาดีตลอดเช่นนั้นก็มีแต่กุมาาจาร์หลวงตาท่านสอนเอ้ยทำไปตามบุญตามกรรม ม, ม, มันไม่ได้เรื่องอะไรนาะถ้าไม่มีทดงควัตข้อใดข้อหนึ่งหรือไม่ทดองควัตรรอบตัวเราเลยแหละมาเป็นเครื่องช่วยฝึกปรือเราเนี่ยมันจะไปไม่ได้ถ้าขาดสิ่งเหล่านี้มา เป็นหลักประกันทําให้เกิดสัจจะบังคับตัวเองเนี่ยเป็นไปมาได้อย่าไปทําศักทวัธรรมให้มีการวิให้มีวิธีการฝึกหัดดัดแปลงตัวเองเพราะฉะนั้นวัดป่าเราเราอยู่อย่างมีทุ ด, ดงทุ ด, ดงแปละว่าเครื่องขัดเราไม่ใช่วินัยนะธุ ด, ดงเนี่ยใครไม่ถือท่านก็ไม่เปรับบัตรแต่ถ้าใครถือแล้วจะเห็นประโยชน์เห็นอานิสง์สุ ด, ดงค์ธรรม เช่นอย่างวัดป่าเราในภาษาเนี่ยในภาษาเดี๋ยวนี้อย่างที่วัดเราเราก็ถือว่าไม่รับอาหารตามส่งอันนี้เราก็สักเทธิาธรรมทรงไว้เป็นธรรมเนียมเท่านั้นเองไม่รับอาหารที่ตามส่งคือใครจะใส่บาตรก็ใส่บาตรอยู่นอกนอกนูน่นนอกเขตใส่บาตรมาแล้วเรามาขึ้นฉลาขึ้นฉลาเราก็จัดพ อ, อิฉันของเราเอามาส่งบนฉลาเราก็ไม่รับอันนี้เป็นธรรมเนียม เป็นธรรมเนียมของพระอยู่ป่าถึงแม้ว่าวัดเรามันจะเป็นวัดไม่อยู่ป่าทีเดียวมันไปมาในบ้านได้สะดวกเราถืออย่างนั้นได้ถือว่าเป็นเยี่ยงเป็นอย่างจากนั้นแล้วเราก็มีชันไอบาทเป็นวัดบินทบาทเป็นวัดบินทะบาทไปตามแถวเป็นวัดบางทีเราก็เนสัตชิกไปเป็นคืนคืนเนสัตชิกตุดงเป็นวัด บางทีก็อาศัยอยู่กลางแจ้งเป็นวัดเนี่ยทุดงต่างหลายอย่างละ่ะบางทีก็อาศัยโคนต้นไม้เป็นวัดเนี่ยทุดงแต่ละข้อแต่ละข้ออยู่ได้ด้วยสัจจะใครถนัดข้อใดให้ฝึกเอาบางองค์ท่านถือผ้าสามผืนเป็นวัดบางองค์ท่านทรงผ้าบางสุขุนเป็นวัดสิ่งนี้เป็นทุดงทั้งนั้นนะบางองค์ท่านก็ ไปเยี่ยมป่าช้าเป็นวัดนี่คือตู้ ด, ดงไปเยี่ยมป่าช้านี่เกิดประโยชน์ไปแล้วจะเกิดความสลดใจของภพชาติของผู้ที่จะเอาเอาธาตุเอาขันมาทิ้งมาถูกเผาถูกฝังทิ้งไว้ในป่าช้าถ้าเป็นป่าช้าสมัยโบ ร, ราณด้วยแล้วอะเอาศพไปทิ้งไม่เผาไม่ฝังก็เรียกป่าช้าผีดิบ ประชาชน ร, รมเนียมพระไปเยี่ยมปา่าช้าจึงมีมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลไปดูซากศพซากศพใหม่ซากศพกําลังอืดขึ้นเขียวกําลังถูกแยกด้วยน้ําเหลืองด้วยน้ําเขียวน้ำอะไรไหลเยอะพวกเลือดพวกเนื้อพวกอะไรกำลังผุกําลังพังแรงกายไม่จิกมากินนอนแมงวันมาเจาะไม่ชอนม่ชายยั่วเยือยูยมาคํานึงถึงกลิ่น กลิ่นจนจะสลบสลายน่ะเพราะฉะนั้นถ้าเจ็บไปเยี่ยมไปใช้ า, ชายอย่างนี้มันไปเยี่ยมได้เป็นเหตุทําให้เราเกิดการสลบสังเวีในหัวใจของเราแต่ท่านให้ฉลาดท่านไม่ให้ไปใต้ลมให้ไปเหนือลมนี่ทำไมท่านจะให้ไปเหนือลมให้พวกเราคิดเอาเองไปเหนือลมกับไปใต้ลมเป็นยังไงอ๋อเดี๋ยวสลบมา <laughs> ลองไปใต้ลมลองดูสลบ ไปเหนือลมเออมันอาจจะส่งมาบ้างเป็นการเป็นล่าวมันก็นยังพอสู้ได้ดูให้เห็นเป็นหลักธรรมชาติดูให้มันเลยจากอสุภะอสุพังเลยอสุพสัสสพังไปจนเห็นเป็นเรื่องธรรมชาติอ๋อนี่คือธรรมชาติอย่างหนึ่งปกติของการปฏิบัติธรรมนั้นเราพยายามทาจิตของเราให้เข้าไปรู้เข้าไปเห็นสภาพทุกอย่างเป็นไปตามหลักธรรมชาติ แต่การที่จะไปพิจารณาตัวเราเองพิจารณาซากศพให้เห็นเป็นหลักธรรมชาตินั้นมันพิจารณาได้ยากเพราะพิจารณาไปเราจ้องดูเพื่ อ, อสุภาษสุพันนั่นแหะจ้องไปจ้องไปดูไปดูไปอ้าวมันเกิดสุภาษสุพันขึ้นมาใช่แล้วแน่เพราะฉะนั้นท่านจึงให้สร้างอสุภสัญญาให้กําหนดเป็นเน่าเป็นเป่วย นอนเจาะยัวเยียยุบยับยุบยับยืบหยับน้ำเหลืองน้ำเขียวไหลออกคํานังถึงกลิ่นก็กลิ่นฟุ้งตลกจากนั้นแล้วเราก็พยายามผ่อนยั่งถึงธรรมชาติของมันอ๋อกลิ่นก็ธรรมชาติของกลิ่นเนาะน้ำเหลืองน้ำเขียวโอ้มันก็ธรรมชาติของน้ำเหลืองโอ้มันก็ธรรมชาติของน้ำเขียวส่งกระแสจิตนึบไปอยู่ตรงนั้นเลยนี่คือหลักธรรมชาติที่แท้จริง ไม่ติดกับสุภาและก็ไม่ติดกับอสุภานั่นคือธรรมชาติที่เราพยายามจะมองพอเราพอเรามองสิ่งเหล่านั้นติดหูติดตาติดใจเราไปดูอย่างอื่นมันก็พยายามจะใช้สติปัญญาให้เป็นไปในแนวเดียวกันจนกว่าเราจะมีภูมิจิตภูมิทร้มองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามหลักธรรมชาติจิตใจไม่เร่าร้อนจิตใจไม่เป็นทุกข์ กับการที่ตันหาทั้งหลายมันไปขับไปต้อนให้อนุนเป็นไปตามใจของมันเห็นให้อันนี้เป็นไ ป, น ป, นปนตามใจหวังของมันอันนั้นเป็นไ ป, นปนตามใจหวังของมันมองเห็นทุกอย่างเป็นหลักธรรมชาติจิตยอมรับธรรมชาติเต็มร้อยนั่นแหละคือผู้ศึกษาจบพรหมจรรย์กับกิริยาอาการข้างนอกรูปธรรมนามธรรมาข้างในจิตใจของเราจิตยอมรับเต็มร้อย ถูกต้องตามหลักสัมมาทิฏฐิเบื่อหน่ายคลายจางทิ้งไปหมดถอดถอดมาถอดมาถอดมาเหลือได้จิตหนึ่งเดียวนั่นถึงที่สุดถึงความบริสุทธิ์เข้าถึงหลักธรรมชาติที่แท้จริงเห็นทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ละอย่างแต่ละอย่างศึกษาไปปอกไปปอกไปปอกไปปอกไปปอกไปทำให้ให้เราเข้าถึงหลักธรรมชาติอย่างแท้จริงได้นี่เราพูดถึงอะไรเนี่ยอ่ะเราพูดถึงศินข้อหก วิการและโภชนาะการที่เราตั้งใจจะอดนอนผ่อนอาหารต้องผลอนอาหารเพราะฉะนั้นการรับทานอาหารเ ช, ช้าช่วเที่ยงไม่รับทานอาหารในอย่างวิการเหลือเฟือมื้อเดียวเหลือเฟือไม่ใช่เรื่องโหดร้ายทารุณอะไรเลยแต่ด้วยเหตุที่เราทำมาจนชินสองมือ้อสา ม, มื้อห้ามือ้อหกมือ้อ บาทีเที่ยงคืนอีกมื้อนึงเนี่ยแล้วเราจะไปอดได้หรือเราอดไม่ได้เนี่ยศินข้อหกสินข้อเจ็ดนัจฉีมาลาศินข้อแปดอุจจารศยนะมาหาศยนาะศินสองข้อนี้อะไรศินสองข้อนี้ท่านให้ท่านให้ถือท่านให้พิจารณาเพราะถ้าเราไม่ถือเราไม่พิจารณากิเลสตัณหามันสวมรอยมา ก็เหมือนอย่างเรานักจะขี่รร้องรำทำเพลงเราร้องรําทําไมเราถามแก่ใจมาลาคือการประดับประดาตกแต่งร่างกายตัวเองด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ด้วยสีสันต่างๆจิ้มปากจิ้มตาจิ้มอะไรอะไรสารพัดนี้ยเร า, าทําทําไมจิ้มซ้ายจิ้มขวาทาซ้ายทาขวาสวยเหลือเกินงามเหลือเกินจุก ป, ปากก็เองสวยเหลือเกินงามเหลือเกินอะไรพาสวยอะไรพางาม เราดูให้เห็นข้อแท้จริงทําไมพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ถือไม่ให้ร้องรําทําเพลงขับประโคมทําไปด้วยอํานาจของความหลงไม่ให้เราประดับประดาตกแต่งร่างกายให้มองเห็นธรรมชาติของกายของเราอย่าไปเสริมเติมแต่งให้กับมันแล้วก็ยอมรับเท่าที่มันมีเท่าที่มันเป็นเวลาเราไปแต่งสวยละเกินสวยละเกิดสร้างหน่อยหนึ่งหมองอีกแล้วโอ้ถูกใจแล้วแปลวาใจแล้ว เงือแตกถูกน้ําถูกฝนถูกอะไรโยดใสซะหน่อยหมองอีกแล้วต้องไปแต่งอีกแล้วต้องไปแต่งอีกแล้ว <c oughs> ท่านจึงให้มองหาธรรมชาติทำแท้ธรรมชาติที่แท้จริงของกายของเราคืออะไรเป็นอะไรจริงอยู่ร่างกายของเราของท่านถ้าไม่ดูแลรักษามันปฏิกูลโสโครกดูมาที่ปาก ดูมาที่จมูกดูมาที่ตาดูมาที่หูดูมาที่ผิวเหงื่อไหลครยย้อยหมักหมมล่วงไปหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงเป็นไงดูมาที่ทวารหนักดูมาที่ทวารเบาเพราะฉะนั้นใครเป็นคนสกปรกความปฏิกูลโสโครกแสดงให้ปรากฏกับตัวเองกับคนอื่นที่เกี่ยวข้องกัน ดูแลรักษาเพื่อกันความปฏิกูลโสโครกแค่นั้นพอแล้วถ้าไม่ดูแลไม่รักษามันสกปรกมันโสโครกไม่รู้จะใช้คํำยังไงมันถึงจะสะใจร่างกายของเราบางทีเราก็ดูคนเป็นเป็นแบบเรานี่แหละบางทีเราก็ดูเรานี่แหละอ๋อแค่เนื้อติดฟันลองดูลองไม่จิ้มฟันออกเลลองไม่จิ้มออกลองดู ล่วงไปหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงเนื้อมันเน่าเน่าในฟันเหม็นคลุง้งบางทีเจ้าของไม่รู้ขาดความสำเนียงไปพูดไปคุยกับใครเหมอนคลุ้งไปหมดเนี้ยเนี่ยคือความปฏิกูลโสโครกตาหูจมูกอะไรอะไรทวานหนักทวานเบาเราดูไปเถอะนั่น่ะคือกลิ่นของมนุษย์แท้ไอ้กลิ่นที่เราหอมก็คือมันมีสิ่ง สิมาเคลือบมาแฝงเพื่อปกป้องปิดบังความปฏิกูลความโสโครกดูไปแล้วทําให้เราเกิดสลดใจเกิดสังเวชใจนะโอ้อัตภาพร่างกายของเราของท่านอิมังปูติกายยังกายนีน้เน่าพุทธิเจ้าทศสงตรัสอิมังปูติกายยังกายนีน้เน่าเนี่ยสิ่งข้อสิ่งข้อเจ็ดนะศิ่งข้อเจ็ดเท่ากับ สองข้อของสมณเณรนัจคีข้อหนึ่งมาลาข้อหนึ่งแต่ศินแปท่านมาพ่วงเป็นข้อเดียวกันนัจคีมาลาแฮเราได้เปรียบเราถือศินแปดเท่ากับเราได้ถือศินเก้ข้อของสมณเณรสมณเณรเขาเพิ่มไปอีกข้อหนึ่งเป็น10บข้อเขามาแยกนักจคีข้อหนึ่งมาลาข้อหนึ่งอุดยาศรีนามาหศยีนานั่งที่นั่งที่นอนสูงใหญ่ภายในยัด้วยนุ่นละสมรีแล้วก็อุดชาตะรูปราชตะ ไม่ถึงอันถือทองอันนี้คือสัมเนธสัมเนธสิบสัมเนธถือศีลสิบพวกเราถือศีลแปดเท่ากับเราถือศีลเก้าข้อของสัมเนธนี่เราพูดถึงศีลแปดศีลแปดข้อสุดท้ายคือนั่งนอนที่นั่งที่นอนสูงใหญ่ภายในยัดด้วยนุ่นและสำล้ำรีทําไมท่านจึงห้ามเพราะที่นั่งที่นอนยัดด้วยนุ่นและสำล้ำรีมันทําให้เรานั่งนอนสะดวกสบายเคลิ้มหลักติดจุกอ่า ที่นั่งที่นอนสูงแล้วก็ใหญ่บางทีเราขึ้นไปแล้วมันทําให้เกิดสัญญาอารมณ์เกิดความใคร้เกิดความกําหนัดเกิดความอะไรเกิดสัญญาอารมณ์มาหลอกลวงเราท่านจึงให้นอนอย่างสบายๆมันไม่ให้ร่างกายมันหลับเคลื่อไปมากจนเกินไปเอาผ้าปูบนพื้นแข็งๆนี่แหละนอนอถ้าหากศีรษะของเราไปถูกอะไรแข็งๆแล้วมันปวดมันอะไรอยู่บ้างหาผ้า หรือไม่กับหมอนพอดีๆอดีมันหนุนบางทีก็สมัยทุกวันนี้เขามีเบาะเบาะแค่หนึ่งนิ้วหนนิ้วครึ่งโอ้ยแค่นั้นเหลือเฟือแล้วนอนหนุนไม่ต้องมีหมอนที่นอนก็ปูพื่นๆธรรมดาเนี่ยยกเว้นแต่คนไม่สบายทาให้เกิดตะคิวทาให้เกิดปวดกะดูกเส้นเอ็นตรงนั้นตรงนี้แต่ด้วยเหตุที่เราประคับประคองไม่อยากให้ร่างกายเราทุกอย่างลาบาก เลือกที่จะนอนที่นั่งที่นอนสูงใหญ่ภายในยัดด้วยนุ่นและแซมลีท่านว่ามันเป็นเหตุให้กามกาเริบในหัวใจของเราพราะงการที่เราจะมัดตั้งใจรักษาสินขอน้อนี้มันเกื้อกูลกับธรรมถ้าพิจารณาใ ห, ให้สินเป็นธรรมธรรมเป็นสินแค่สินห้าแค่สินแปดเราถือปฏิบัติตามนี้ใคร่ครวนได้ตามนี้อ๊ยทาให้เราได้ปัญญา ทำให้ราไ ด, ได้ข้อปฏิบัติที่ละเอียดลอจริงๆนี่พวกเราได้ยินได้ฟังราช ก, การอบรมแต่ละครั้งถ้าเราจะละเลยละเลยเรื่องศีลไม่พูดเสียเลยมันเป็นยาปากข้อยาปากข้อที่เรามักจะทิ้งกันไม่ค่อยสนใจนะฮะไม่ค่อยจะสนใจในสิสุดก็ปลาตายน้ำตื้น อโอ้ยปัญหาสรารพัดแก้ได้หมดปัญหาปากคอกเราเลยลืมแก้ลืมแก้ปัญหาปากคอกปัญหาที่เราเกี่ยวข้องผูกพันกันอยู่ทุกวันทุกเวลาศีลข้อวห้าจึงเป็นเรื่องสําคัญการที่เราจะตั้งใจรักษาศนินนันอะมันเป็นข้อปฏิบัตินะพอเราเริ่มรักษาพับเราจะต้องวิรัตต้องงดต้องเว้นนี่มีข้อปฏิบัติไม่เหมือนทานทานเราเสียสละไปเท่าไหร่ก็คือเสียสละไปแล้ว ทานเราทําเองก็ได้ฝากคนอื่นทําก็ได้อยู่ที่นี่ส่งไปทําอยู่นู้นยุโรปอเมริกาก็ได้ทานแต่ศีลต้องตั้งใจรักษาเอาเองตั้งใจรักษาด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจของเราเองเมื่อเราตั้งใจรักษาได้งดได้เว้นได้กายกรรมของเราเริ่มปกติไวจีกรรมมโนกรรมของเราก็จะเริ่มปกติเราทอดทิ้งไม่ได้ ผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติสมาธิด้วยแล้วจะเห็นคุณของศินเพราะเราตั้งใจจะปฏิบัติให้จิตของเราได้รับความสงบถ้าเรามาทิ้งเรื่องศินสิล น, น, นี่แหละที่เราทอดทิ้งนี่แหละมันจะมากวนใจเราทําให้ใจเราสงบได้ยากสัญญาอารมณ์จากเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนั้นสารพัดมากวนใจเราถ้ า, ากเรารักษามาดิดบดีเราไม่มีข้อจำกัดโอ้สิลห้านะข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห โอ้ช่วงนี้เรารักษาศินแปดนะเราจะพยายามตั้งใจรักษาให้บริสุทธิ์อ่าสินข้อหนึ 2, ่งก็สองก็สามถึงแม้ว่าจะแตกต่างจากข้อสามของศินห้าก็ตามอ่าไม่เหลือบากวาแรงเราอดได้เราทนได้ตั้งใจวิรัตตั้งใจอดตั้งใจงดตั้งใจเว้นตั้งใจที่จะดูเหตุดูปัจจัยข้อเหมันให้เห็นนี่มันเหมือนกับว่าเราเริ่มหันหน้าต่อสู้ ให้เราเริ่มรู้จักที่ไปที่มาของกิเลสแค่ศิลนี้เราก็รู้แล้วที่ไปที่มาของของกิเลสที่มาทั บ, ท, บท่วมกายกายกรรมกิเลสมาทับท่วมวาจาวัาจจกรรมกิเลสมันโดดดิ้นมาที่กายที่วาจามันเราไม่ได้มันโดดดิ้นอยู่ที่ใจภาวนาเข้าไปพุโทโธพุโทโธพุทโธอัดเข้าไปให้ใจมันสงบใจไม่สงบคือใจโดดดิ้น ใจโดดดิ้นมันดิ้นไปตามอารมณ์ของกามคุณทั้งหลายทั้งปวงในโลกรวมทั้งกามราคะซึ่งเป็นยอดของกามคุณหากมันอยู่ในวงของจิตที่มันจะต้องนึกต้องคิดต้องปรุงไปปรุงไปที่ไหนจิตของเราจะเร่าร้อนจิตของเราไม่สงบนั่งปรุงนั่งนึกนั่งคิดทั้งวันจิตไม่สงบไม่มีกาลัง ยิ่งฟุ้งยิ่งปรุงยิ่งปรุงยิ่งฟุ้งเพราะฉะนั้นคำมันไม่ปกติจะให้ปกติต้องพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธหรือไม่เราจะเจริญตามหลัก ม, มาสิสิปทานทาอะไรก็อยู่กับสิ่งนั้นหนึ่งเดียวทําสิ่งไใดให้อยู่กับสิ่งนั้นหนึ่งเดีย ว, ไ, ไ, ไ, ยวไม่เป็นสองล้างจานก็ให้อยู่กับล้างจานเช็ดพื้นก็ให้อยู่กับเช็ดพื้นเช็ดช้อนเช็ดถ้วยเช็ดจานอยู่กับสิ่งเดียว มีสติกำกับจดจ่ออยู่ไม่นึกดีใจไม่นึกเสียใจไม่นึกอะไรนละอยู่กับเรื่องเดียวการที่เรามีสติกำกับอยู่กับเรื่องเดียวอย่างนี้ไม่ใช่สมถะแต่มันเป็นวิปัสสนาสรุปลงแล้วจิตของเรามันสงบด้วยสมถะก็ได้มันสงบด้วยวิปัสสนาก็ได้ทั้งสมถะทั้งวิปัสสนานั้นสิ่งที่เป็นพื้นเป็นบาดเป็นฐานให้ได้รับความสงบคือสติ ธรรมสัมปชัญญะธรรมปัญญาธรรมขันติธรรมโสระจหิริอตถะธรรมประมวลธรรมลงมาวิริยะอุสาหะความอดความทนความภาคความเพียรตล่อมหลอมรวมลงมาภายในใจของเรามีเจตนามีความจงใจที่จะสร้างที่จะทำคุณสมบัติเหล่านี้ให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นในใใหัวใจของเรา อันนี้เป็นเรื่องที่จําเป็นที่สุดในหัวใจของเราเพราะฉะนั้นเราได้พูดถึงเรื่องศี่ห้าพูดถึงเรื่องความปกติกายกรรมของเราปกติไวจีกรรมของเราปกติมโนกรรมของเราปกตินอกจากปกติแล้วเป็นเหตุหนุนสมาธิทำใหจิตของเราได้รับความสงบจิตของเราโดดดิ้นตามนิคของกาม เราใช้สติมากำกับจดจอให้อยู่กับอารมณ์เดียวทำให้จิตสงบจิตสงบก็คือกิเลสสงบกิเลสไม่ไปทับถมจิตอย่าลืมว่าจิตเริ่มสงบจิตก็จะเริ่มคลายกามคุณทั้งหลายออกจากหัวใจกามคุณทั้งหลายในหัวใจของเราถ้าเราจะเทียบไม่แตกต่างจากความสดของไม้ยางในไม้สด ไม้ที่ยังเป็นไม้สดที่ยังชุ่มด้วยยางกิจของเราที่ยังสดสดชุ่มแปรด้วยกลามคาว่ากลางในที่นี้หมายถึงกามคุณทั้งหลายที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสสัมผัสรวมถึงกามราคะนี่เป็นยอดของกามคุณมันอยู่ในที่เดียวกันัแหละอยู่ในผู้รู้อันเดียวกันอันนั้นเราเปรียบเสมือนว่ายางของไม้ความชุ่มของใจ เราพยายามทำใจให้ได้รับความสงบสิ่งเหล่านี้จะเริ่มเหือดไปแห้งไปจิตของเราก็จะเริ่มเหือดแห้งจากกามพยายามคลี่คลายกามกามกามมาคุณทั้งหลายทั้งปวงจิตสงบจึงเป็นจิตจิตที่สำรอกกามออกจากหัวใจท่านจึงให้อาจิตสงบนี่แหละมาพิจารณาให้เห็นโทษหเห็นไผ่ของมันครูบาอาจารย์ท่านจึงไม่ให้ทิ้งสมถะไม่ให้ทิ้งวิปัสนา เดินเคียงข้างกันไปสลับกันทําไปช่วงไหนสมถะก็สมถะให้เอาเป็นเอาตายใส่เข้าไปช่วงไหนวิปัสสนาตั้งใจวิปัสสนาให้แน่นหนามันของเข้าไปเพื่อให้ระ ง, งับดับกิเลสตัณหาในหัวใจของเราให้รู้ที่ไปที่มาของมันอันนี้มีความสำคัญนะมีความสาคัญมากซึ่งเป็นหัวใจของนักปฏิบัติ จำเป็นจะต้องมาฝึกมาเรียนรู้ให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจให้รู้จักชัยสมรภูมิเป็นที่ต่อสู้ของเราเป็นที่ต่อสู้ของเรามบนอย่างปารอบตั้งแต่ต้นๆนั่นแหละคือสัจธรรมทั้งสี่เราเพึ่งพระพุทธเจ้าเรามอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าสัจธรรมนี่แหละคือพระพุทธเจ้าเราก็พยายามมาทำความรู้เรื่องของสัจธรรม ทุกข์ษัตริย์สมุทัยศัตริยนิโรธศัตร์มรรคศัตริย์ทุกข์ัตริก็คือกายเราทั้งรุ่นทั้งก้อนนี่แหละเป็นทุกข์ัตริย์ใจเราทั้งดุนทั้งก้อนนี่แหละเป็นทุกข์ัตริย์หรือสิ่งที่เป็นผลทั้งหมดที่เป็นรูปธรรมที่เป็นนามธรรมนี่เป็นทุกข์ัตริย์คำว่าทุกข์ศัตริย์นี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมีอยู่แล้วมาจากเหตุมีเหตุเป็นแดนเกิด แต่ทุกกระแสเหล่านี้ไม่ใช่เกิดขึ้นลอยๆเกิดมาจากเหตุเหตุของมันเราก็ดูไปที่ตัณหาสมุ ท, มทัยก้ามาตัณหาพราะวะตัณหาวิภวตัณหาเราไม่ต้องไปไล่ขอให้เรารู้จักความอยากก็แล้วกันเสร็จแล้วเราค่อยมาวินิจฉัย ใ, ใคร่ครวนว่ามันอยากเพื่ออะไรอยากเปลี่ยนเปลียวกับศีลกับธรรมหรืออยากส่งเสริมสนับสนุนตามศีลตามธรรม ถ้าอยากสนับสนุนส่งเสริมตามศีลตามธรรมนี่แหละที่เป็นองค์มรรคอยากมีศีลอยากมีสมาธิอยากมีปัญญาอยากได้มรรคอยากได้ผลอยากได้นิพพานความอยากแบบนี้เป็นมรรคตั้งใจทําให้เป็นให้ตายท่านไม่ถือว่าเคร่งเกินไปแต่ถ้าอยากเพื่อปีนเปลียวกับศีลกับธรรมท่านบอกอยากฆ่าสัตว์อยากฆ่าอย่าลักทรัพย์อยากรักอยาผิดรูปผิดเมียเขาอยากผิด ท้าทายไม่ให้พูดเท็จพูดส่อเสียดยุยงส่งเสริมอยากพูดอยากฝืนไม่ให้ดื่มเหล้าอยากดื่มใครจะทำอะไรแ อ, อันนี้เป็นเรื่องของความอยากของตัณหาให้เราสังเกตแค่นี้เราจะได้รู้ว่าอยากเพื่อ<ม>ทำหรืออยากเพื่อคีเลนเราจะได้รู้จักว่าอยากเพื่อคีดเลนเราเขาพยายามละอยากเพื่อทำเราเขาพยายามส่งเสริม ไม่มีใครไม่อยากหรอกเรามีชีวิตหายใจฟอดฟอฟ อ, อยู่นี้มันไม่ใช่คนตายต้องต้องอยากแต่ต้องมีความจำกัดความว่าอยากตามสินตามธรรมหรืออยากตามกิเลสตัณหาถ้าอยากตามกิเลสตัณหาเป็นเรื่องของสมุทยัยถ้าอยากตามสินตามธรรมเป็นเรื่องของมักเวลาเราทำไปแล้วเรายึดไม่ได้สักอย่างทุกกษัตริย์เราก็ยึดไม่ได้ สมุทยศัสตว์เราย่งยึดไม่ได้นิโรธศัสตร์คือผลจากการปฏิบัติเราก็ยึดไม่ได้เรายึดได้อย่างเดียวมรรคศาตร์ทาให้เป็นให้ตายเข้าไปมรรคศาตร์ท่านไม่ว่าแต่ถ้าทำแล้วผิดเหมือนอย่างการมรสุขาลิกานโยกนี่ท่านว่าผิดทำจนตายก็ไม่เกิดผลประโยชน์ะลรการมรสุขาลิกานโยกคือบารงบำเรบํารงบำเ ร, ำเรกาม เมื่อกับไม้เราสดๆด้วยชุ่มด้วยยางด้วยเอาไปแช่ในน้ำอีกแล้วจะเอาไปเสียเกิดไฟไฟที่ไหนไมันจะเกิดไฟไม่เกิดเพราะน้ำกับไฟมันเป็นปฏิปักษ์กันนี่อันนี้จันถือว่าเป็นทางผิดอัตะกะลัมถานุโยกทรมานแต่กายไม่ทรมานใจไม่เคยดูไปที่ต้นต่อของใจเลยทรมานแต่ร่างกาย เมื่อพระพุทธเจ้าท่านทรงทำนั่นแหละขั้นลมขั้นลมหายใจกัดฟันกับฟันเอาลิ้นกดเพดานขั้นลมหายใจสมัยที่พระองค์ทาตักยลิตมานุโยกมลมมันไม่มีที่ออกนะกลั้นลมมันก็อู้มันออกทางหูลมออกทางหูเสียดในท้องเสียดในอกลมออกทางหู เสร็แล้วหวังจะเกิดผลจากการที่เราทรมานกายมันไม่เกิดมันผิดเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าเป็นทางเลวทั้งอัตเกจลมถานโยคทรมานตนให้เหน็ดเหนื่อยเปล่าทั้งการมสุขาลิกาโยคประกอบตนพัวพันในกามโดยปกติเราเกิดด้วยอำนาจกามอยู่แล้วกามคุณกรรมตันหาภวะตันหาวิภาวะตันหายิ่งเราไปส่งเสริมบำรุงบำรเริม ม, มัน เหมือนกับยิ่งเอาเชื้อไปเสริมไฟไปใส่ไฟไฟที่ไหนมันจะดับไม่มีทางดับไฟจะดับได้ต่อเมื่อเราดึงรุ่นฟืนออกเอาน้ำไปรดไฟรดตรงที่ไฟกับฟืนมันกัดกันนั่นรดตรงนั้นแหละมันถึงจะดับเราต้องดึงรุ่นฟืนรุ่นฟืนออกไม่ใช่เอารุ่นฟืนใส่เข้าไปเพื่อต้องการให้ไฟมันดับไม่ใช่ เอาเชื่อไปเสริมไฟต้องการให้ไฟดับไม่ใช่เรายิ่งบำรุงบำรเลิศตนด้วยกามยิ่งจะให้กามดับสงบระงับกามมันก็เป็นการไปเสริมไฟเสริมฟืนเสริมไฟทำให้กามเหล่านั้นมีกําลังเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าทางผิดสองทางทางหนึ่งยิ่งเกินไปทางหนึ่งหย่อนเกินไป ในเมื่อท่านพูดถึงทางท่านก็นมาเปิดทางเส้นมาให้เรามัชชิมาปฏิปทาทางสายกลางสรุปลงมาคือศีลสมาธิปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญานี้มีแนวปฏิบัติมีข้อปฏิบัติมีแนวปฏิบัติมีข้อปฏิบัติในเมื่อมีแนวปฏิบัติมีข้อปฏิบัติอย่างนี้ถ้าเราจะเทียบมันก็ไม่ต่างอะไรกับเรานั่งเรือที่มีรูรัว่วข้ามแม่น้า หัวใจของเราของท่านนี่ถ้าจะเทียบกับเหมือนเรือรั่วตัณหามันรั่วมาที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจตัณหานะมันทะลักออกมาที่กายที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าเราจะเทียบกับเหมือนเรือรั่วเพราะฉะนั้นเราจะระงับดับตัณหาเหล่านี้ได้ถ้าเราจะเทียบกับเรือเรือมันมีรูน้ามันทะลักก็ไปตรงรูเราต้องการจะวิทน้าออก เราต้องการวิทน้ำออกเพื่อที่จะนั่งเรือข้ามฟากไปให้ตลอดรอดฟังเราวิทยเฉยๆถ้าเราไม่อุดรูเหนื่อยเปล่ามันหมดไม่เป็นวิทออกไปเท่าไหร่เข้ามาอีกวิทออกไปเท่าไหร่เข้ามาอีกวิทยออกไปเท่าไหร่เข้ามาอีกเหน็ดเหนื่อยเปล่าวิธีที่ถูกต้องทำไงอุดรูรั่วอุดรูรั่วอุดอุด สังวรระหว่างตาหูยมูกเลี้ยงกายใจกำหนดจดเจาะทำงานด้วยสติด้วยปัญญาที่ใจเมื่อเราอุดรูรั่วไม่ให้น้ํามันเข้าไปน้ําใหม่ไม่เข้าไปน้ําใหม่ไม่เข้าไปน้ําเก่าที่มีอยู่ในนั้นมีเท่าไหร่แล้วก็วิดออกวิดออกวิดออกวิดออกเราลองดูอุปมาข้อนี้หมดไปไหมหมดได้ไหม ตัณหาในหัวใจของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราฟังเรื่องการวิทน้ำออกจากเรือนี้เป็นอุปมาหมดแน่ๆตัณหาใหม่เราพระมัระวังไม่ให้มันเกิดตัณหาเก่าในเมื่อเราพยายามระมัดระวังไม่ให้ตัณหาใหม่เกิดตัณหาเก่ามันเริ่มเร่าร้อนแล้วมันเริ่มเร่าร้อนแล้วนะมันจะเริ่มหัวมันจะเริ่มเน่ามันจะเริ่มเปื่อย มันจะเริ่มตายลงในที่สุดจริงๆเราขุดไปแล้วดึงถอนออกมาจะเหลืออะไรมันไม่เหลือเราฟังวิธีอุปมาอย่างนี้ทําให้เราดูไปที่ข้อปฏิบัติการเมสุขาเลกาลโยกอัตตกิลามมัทานโยกกับมัชเชีมาปฏิปทาเหมือนเราไปกั้นตันหาใหม่ไม่ให้เกิดและพยายามเอาของเก่าออกเอาตันหาเก่าออก มันเข้าในหลักที่จันเรียกว่าประท า, น ป, ะา น, นประทานสังวรประธานประธานระวังไม่ให้บาปใหม่เกิดพยายามละบาปเก่าที่มีแล้วออกก็เหมือนเราพยายามระวังไม่ให้น้ำใหม่เข้าพยายามวิตน้ำเก่าออกมันก็หมดหมดได้ย่อมหมดได้นี่เราเอาอุปมามาเทียบเพื่อให้เราเข้าใจกับข้อปฏิบัติของเรา ว่าเราจะรักษาตันหาไม่ให้เกิดในหัวใจของเราเราทำยังไงเราก็อาศัยวิถีนี้แหละตันหาไม่เกิดในหัวใจของเราเนื่องจากเราภาวนาสงบพุโทโธพุโทโธพุโทโธอย่างเดียวสามารถระงับดับตันหาได้พิจารณามีสติกําหนดจดจอ่อกายพิจารณามีสติกําหนดจดจอ่อเวทนา พิจนามีสติกำหนดจดจอ่อจิตหรือธรรมก็าตามเป็นเหตุให้ตัณหาสงบระงับตัณหาใหม่ไม่เกิดตัณหาเก่ามักจะเริ่มลุกลามเข้าไปเหมือนไฟได้เชือ้อก็ลามไปเรื่อยลามไปเรื่อยลามไปเรืเ่อยกินไปเรื่อยกินไปเรื่อยกินไปเรื่อยเพราะฉะนั้นหลักศีล ส, สมาธิปัญญาจึงเป็นแนว ป, ปฏิบัติจึงเป็นข้อปฏิบัติ ที่เรายึดได้เราถือได้มั่นใจตามที่พุิญญาท่านทรงสอนแต่พระองค์ไม่สอนให้เราเชื่ออย่างเดียวให้เราทําเอาเราลองต่างตั้งใจทําดูง่ายสําหรับเรายากสําหรับท่านง่ายสําหรับท่านยากสําหรับเราหรือง่ายสําหรับเราง่ายสําหรับท่านหรือยากทั้งเรายากทั้งท่านก็ลองทําดูจริตนิสัยบุญกรรมของไข่ของเรา ปัญญาของไข่ของรรเราความภาคความเพียนความอดความทนของไครของเราเราไปเทียบเคียงกันไม่ได้บุญกรรมของเราสั่งสมอบรมมาไม่เท่ากันปัญญาเราจึงไม่เท่ากันบุญญาบา ร, รมีเราสั่งสมมาไม่เท่ากันความโง่ความฉลาดความง่ายความยากของเราจึงไม่เท่ากันจึงไม่เท่ากัน เป็นเวลาเกือบชั่วโมงนะที่เราพูดมาเนี่ยเดี๋ยวนี้สามโมงสี่สิบห้าสี่โมงก็ได้เวลาพักอีกแล้วน่าเสียดายเหลือลเกินนะจะหมดเวลาแล้วแป๊บเดียวจะหมดเวลาแล้วกาลังแซ่บกาลังอร่อยนะงอกเงงอกบ้างนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรออย่างงอกมากกันแล้วกันนะต <c oughs> ั้งใจอบรม ตั้งใจฝึกฝนฝึกข้างในอบข้างในรมข้างในเราอูดูอุปมาเรื่องเรื่องการพูดถึงเรื่องตัญหาเหล่านี้ให้เราให้เราจับได้แนวปฏิบัติมันได้ทั้งสมถะมันได้ทั้งวิปัสสนาทั้งหมดนี้เป็นหลักของมหาสีประธานเพราะมหาสีประธานนั้นเป็นเป็นแนวปฏิบัติที่ใหญ่ที่สุด ทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสสอน8ปดหมสี่พันพระธรรมขันธ์ตะล่อมรวมลงมาในนี้ทั้งหมดซึ่งถ้าจะเทียบก็เท่ากับรอยเท้าของช้างมาสีปทานนะเท่ากับรอยเท้าของช้างซึ่งใหญ่กว่ารอยเท้าของศักดิ์ทั้งหลายทั้งปวงไม่มีรอยเท้าของอะไรใหญ่เท่ากับรอยเท้าของช้างคําสอนของพระพุทธเจ้า บทนั้นบทนั้นบทนั้นนิเทศนั้นนิเทศนั้นนิเทศนั้นคมภี์นั้นคัมภีรนั้นคมภีร์นั้นคัมภีร์นั้นสรุปลงมารวมลงมาที่มหาสติปัฏฐานสูตรอย่างเดียวจบหมดในนี้ไม่เชื่อเราลองไปเอาคำแปลพระสูตเรเหล่านี้มาดูมีรวมอยู่ในนั้นหมดแต่ขอให้เราทําให้มากเจริญให้มากจะเกิดความมั่นใจของเรา จะทาให้เรามีเครื่องไม้ <c oughs> เครื่องมืออยู่เ <c oughs> ต็มมือ <c oughs> ไม่ทําให้เราเควงควางเอะเราทําผิดหรือเราทําถูกหรือถ้าเราศึกษาสิ่งเหล่านี้ให้เข้าใจมีคําตอบอยู่ในนั้นหมดอืสามารถเอาไปดูเป็นเครื่องฝึกฝนอบรมด้วยตัวของตัวเองได้เลยอถึงกระนั้นก็ตามผู้ตั้งใจฝึกฝนอบรมย่อมมีหมู่มีพวกมีครูมีอาจารย์แล้วก็พูดแล้วก็คุยเราก็สนทนาก็เป็นเหตุให้เรา ได้อบายได้วิธีจากกันและกันทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปเนี่ยเป็นวันแรกที่เรามาอบรมนี้สมวันสองคืนคืนที่จะถึงนี่เป็นคืนแรกแล้วก็พรุ่งนี้เป็นคืนที่สองเป็นวันที่สองเป็นคืนที่สองและวันรุ่งขึ้นเป็นวันที่สมวันที่สามนี้หมอบอกว่า ให้พวกเราให้พวกเราล า, าการปฏิบัติตั้งแต่น่นก้าโมงเสร็จแล้วจากนั้นก็มีการทอดพอดปปาอย่างน้อยมีพระนุษพระนี้นมาเสริมอีกเที่ยงก็ให้เสร็จเพราะเรามีกิจกรรมพิเศษไปหล่อพระรูปเหมือนหลวงตาหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นและพระพุทธรูป ปางมารวิชัยหน้าตัด60สนิ้วที่ยงเจริญการช่างรงหลอยโยยงเจริญการช่างซึ่งอยู่ไม่ห่างเนี่ยเราไปประมาณสิกวนาทีก็ถึงนั่งรถไปเราไปหลอด้วยกันถือว่าเป็นการไปสร้างเจดีย์เจดีย์ของพระพุทธเจ้าอุเทสิกเจดีย์รูปเหมือนของครูบาอาจารย์ก็เป็นเจดีย์อีกเหมือนกัน ครูบาอาจารย์เหล่านี้ท่านมีคุณธรรมท่านมีคุณธรรมท่านเป็นปรมาจารย์มีคําบอกคําสอนมีแนวปฏิบัติมีคติตัวอย่างให้กับเราเราเป็นคนรุ่นลกูกรุ่นหลานเราได้กราบได้ไว่ายได้บูชาได้รําลึกถึงบุญถึงคนนี่เป็นกิจกรรมเป็นอาจินกรรมของชาวพุทธเราเรา จะทำคุณงามความดีขั้นไหนก็ตามระดับไหนก็ตามเอาใจทำไต่มากก็รวมลงในนี้ได้น้อยก็รวมลงในนี้รวมตล่มหลอมรวมลงมาเป็นบุญข้นชื่อว่าบุญแล้วจะอำนวยความสะดวกให้เราทุกอย่างหลวงตาท่านเปรียบเทียบว่าพริกทั้งเม็ดดีทั้งเมด็ด ร, รีบ เวลาไปตําแหลกไปด้วยกันแล้วอเอาไปใส่ถ้วยหยอดน้ําใส่ใส่น้ําปลาก็ไปใส่อะไรเข้าไปในน้ํำพริกนั่นเลยจิ้มไปมุมไหนเผ็ดเหมือนกันหมดท่านบอกว่าเผ็ดเหมือนกันหมดบุญหนักก็ตามบุญเบาก็ตามบุญมากบุญน้อยก็ตามที่เราเก็บเล็กผสมน้อยสั่งสมโอกรมมาที่จิตของเรา รวมตะล่อมหลอมลอมลงมาเป็นบุญทั้งนั้นช่วยอานวยให้เรามีความสุขมีความเจริญซึ่งเป็นยอดปรารถนาของพวกเราด้วยกันทุกคนเราโอกาสนี้เราก็พอสมควรเก็บเวลาแค่นี้จากนั้นแล้วธรรมอปฏริกรเขามีอะไรพูดคุยกับพวกเราก็เอาได้เลยอตอนนี้เอาจบแค่นี้ก่อน สุขภาพไม่ดีมีโรคติดตัวประจำตัวอะไรยังไงที่จะเป็นเหตุให้ให้ให้ไม่สะดวกสบายอะไรยังไงก็ให้บอกโอ้เราไม่สบายด้วยเรื่องเดี๋ยวนี้นะอะเพราะว่าเราอาจจะมีกําลังบังฉาไม่เท่ากันบางคนไม่สบายบางคนปวดหลังบางคนปวดเอวบางคนปวดนูน่นปวดนี้เป็นโรคเส้นโรคเอน็นโรคอะไรใครไม่สบายด้วยเรื่องอะไรให้บอกกันนะ เวลาไปเขาไปพาทำอะไรหนักๆเขาจะได้รู้เขาจะได้เว้นให้ถ้าเราไม่บอกเขาแสดงว่าเราแข็งแรงพอเราไปทำอดๆแอดๆเขาก็ว่าเราออมแรงเขาก็ดูถูกอีกเออถ้าเราบอกว่าเราป่วยนะเราไม่สบายนะเออเาก็ยังเว้นให้นะนี่ไม่ใช่ชี้โพลให้กระหอกนะฮะ อืมไปแล้วเราไปแล้วแล้วเราขึ้นมาอีกเท่าไหร่